ช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมืองอยสยกเหมือนเดิมวัตจักรภาษาโลกเรียวกวัตจักรคือไม่เป็นไหนมาไหนสงสารประเทศชาติการเปลี่ยนแปลงท่า เป็นไปในทางที่ดีขึ้นมันก็ไม่น่าจะมีปัญหา อ, อะไรระยาการเปลี่ยนแปลงและคุณภาพขอลดลงปริมาณเพิ่มขึ้นพูดถึงการเปลี่ยนแปลงก็อยากให้เรานึกถึงครั้งสำคัญที่ส ในสมัยพุทธกาลเป็นต้นมานั่นก็คือพระพุทธเจ้าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธยาานความจริงถ้านักปกครองท้งงลร้เห ล, เลือเอาไาใช้ ซึ่งก็คิดว่าหลายๆเหตุการณ์เป็นการก๊อบี้ผู้ศาันาของเราเกิดมา 2,000 กว่าปีมาแล้วศาสนาที่ลองลงมาก็คือ 2,000 ลองมาก็พันกว่าปีเราเรามีพูดถึงศาสนาพราหมณ์ก็ไม่มีปทิก ป, ปริยา สาศาสนาหลักๆเพราะที่อื่นมันก็ดัดแปลงมาจากศาสนาเดิมเช่นฮินดูพราหมณ์ซิกเป็นตน้นจริงมันก็คือพราหมณ์นั่นแหละเห็นได้มาโดูหันโดูศาสนาของเราก็ดีศาสนาอื่นเพื่อเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าประวัติศาสตร์ ซึうう่งผู้เราบอาเขาดูสดใจประเที่เราถูกลืมไปแล้วคณะต้นแบบโดยเฉพาะอุเอเซียฟองดองต้นเกโนูนลงมาอุเซียฟางสมัยก่อนนันกว้างขวางนาดจับ หลังพุทธเจ้ามานี่เราคข้ามาประเด็นเรว่าอะไรเป็นต้นแบบคือใครเป็นต้นแบบในสมัยพุทธเจ้าก็ เ, าเอาพุทธองค์เป็นหลังเรียวหลักคิดพุทธองค์ใช้สองคำวิธีการวิธีการนีงองคาเครืงหนึง่งก็ปฏิรูป ปัจจุบันเราก็อยาเอามาใช้ไอ้สองคือปฏิวัติเป็นเรื่องน่ากลัวเนะถ้าคนเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกตรงนี้ใช้ในทางที่ถูกเนะี่ยอย่างไรก็เดียวพระพุทธเจ้าปฏิรูปปฏิรูปเนี่ยก็คือปรับถ้าพูดภาษาเราง่ายๆปฏิวัติคือเปลี่ยน ภาษาลอง ง, ง่ายๆอย่างนี้ปฏิรูปคือปรับคือปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเกา่าจากมันมากไปครัมันน้อยลงเนื้อหาปฏิรูปเพื่อให้เกิดความเหมาะสมส่วนปฏิวัตินี่เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทั้งสองคำ มนุษย์หรือว่าคนทั่วไปมักจะใช้กับคนอื่นนี่คือปัญหาคือไม่ใช้กับตัวเองใช้กับสังคมประเทศชาติตามที่ตัวเองต้องการแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยใช้กับพระองค์คือใช้กับตัวเองเขาเริ่มต้นจากปฏิรูปจากของที่มีอยู่ ที่เรียกว่ารถบเป็นก็คือปัจจัยสี่ตา ม, มุงงในปัจจัยสี่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อแสวยงาปัจจัยสี่มีเป้าหมายของพวกเราแต่เราไม่รู้เป้าหมายมันคืออะไรแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือปัจจัยสี่ปฏิรูปคือปรับตามจะถอยเองจากพระราชามหากษัตริย์เขาค่อยปรับค่อยเปลี่ยน ผู้เจ้าเป็นนักปกครองเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นนักนิติศาสตร์เป็นนักบริหารเรื่ศาสตร์ที่มีอยู่ทุกวันทงางศิษาความเป็นไปของผู้ศิเจ้าใช้ได้ทุกสร์ปฏิรูปอันนี้คือการปฏิรูปผู้เจ้าเป็นนักการศึกษาเราจะเห็นว่า ตั้งแต่พระองค์อยู่ในวังมีการศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวหลังคล้ายกับพระสริบดมกุลลานะที่หงพ่อที่แล้วเราได้พูดถึงว่าท่านเป็นนะักสังเกตสังการคือใช้ปัญญงูจ้องเราเช่นเดียวกันในขณะที่ยัยงคองเพศคารวาตรคือครองเรือนอยู่ จะไปไหนมาไหนเป็นนักสังเกตสั้งตัวคือใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้สัญญาไวยทำยังไงเพราะอะไรที่มาที่ไปที่อยู่อันนี้คือข้อแรกข้อที่สองก็คือปฏิวัติคือเปลี่ยนอน่ก็ือเปลี่ยนพระองค์จากพระราชามาก็จะจากเสื้อผ้าอ้อพรเครื่องประดับท่างหลายของที่มีอยู่เหลือแค่สารผืดเท่านั้นเอง อันนี้คือคือเป็นที่มาัำว่าวนันที่แล้วที่เราพูดถึงองความหนึ่งเขาเห็นเพราะว่าเห็นสองคำพระองค์บอกเห็นเขาสองคำน่คือความต้องการนี่คือความจำเป็นที่เราพูดกันพระที่แล้วความต้องการมันไม่มีที่สิ้นสุดก็แปลว่าอะไรแปลวปีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะความต้องการ หน้าตาเขาม่นก็คือตันหาแต่ว่าความจําเป็นเนี่ยมันจํากัดได้วความจําเป็นในชีวิตของเราจะต้องใช้อะไรบ้างมันจํากัดได้เพราะนั้นพวกลงจึงทำตัวเป็นตอย่างคือปฏิวัติคือปฏิวัติตัวเองจากทรัพย์สินเงินทองของมีค่าที่มนุษย์ทลายเลย้วที่อยากจะเสแสงหาเกือบทั้งชีวิต กูยังไงต้องไปเกิดจนตายเพื่อหาสิ่งเหล่านี้สุดท้ายก็ได้ครอบครองม า, ากน้อยตามสติปัญญาผู้จะปฏิวัติจนไม่เหลืออะไรในรูปร่างกายของพระองค์ที่มีอยู่ตั้งแต่หัวจรดเท้าผมที่ว่าสวยงามตัดโกนทึ่ง ซึ่งสมัยนั้นถือว่าเขาไม่ทํากันพระพุทธเจ้าทำก็ปฏิวัติตัวเองนี่เข้าว่าปฏิวัติแต่ที่มันน่ากลัวกคือเรามาเห็นในยุคปัจจุบันคําว่าปฏิวัติมันเป็นเรื่องน่ากลัวจะตามด้วยรัฐทัศแล้วก็ประหารเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้รัฐทัศคืออะไร พระหารคืออะไรวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้เว้นพระพุทธเจ้าที่ปฏิวัติแล้วก็ปฏิรูปจนได้ผลในยุคหลังพุทธกาลในหลังพุทธกาลที่เรามีทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระองค์ในยุคลังพุทธกาลก็คือ พระเจ้าอโศกมหาราชอยากให้พวกเราศึกษาถ้าเป็นภาษาพราะอรูอปติปทองขอบพระเจ้าอโศกอาหารราชเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระเจ้าอโศกมหาราชเกิดขึ้นหลังพุทธกาลประมาณสองร้อปีปลายๆขอนท่านจะสิ้กนกติดประมสาร้อยปี เป็นกําลังสำคัญที่ทําให้เกิดทําสังคยัยนองและที่สําคัญคือพระองค์หันมานับถือพุทธแปลว่าอะไรครแปลว่าก่อนนั้นไม่ได้เป็นพุทธก่อนนั้นพระองค์เป็นนักรบชํานาญในการทําศึกสงครามคือตะลุยกระเจิดกระเจิง ก, กันทั้งหมด แารดูสังขามองเห็นชีวิตค น, นจากการสงครามเกิดความสลดใจเกิดธรรมะสังเวชใช้อาวุธประหารประหารใช้กำลังปราบจนผู้คนต่างบ้านต่างเมืองต่างรัฐเจ้าสองเราเป็นคนเป็นคนแขวนมคต ก็คือเป็นแคว้นที่ใช้ภาษาปิดภาษากลางในสมัยนั้นะดีตะลุไปทุบ้านทั่วเมืองเนื้อเนื้อใต้ออกตกสุดท้ายก็ไม่ยอมมาแพ้แ น, น่แนอนแต่ไม่ใช่หน้อยธรรมดาไม่ใช่นนในนรรใหน้อยที่ก่างเราเป็นหนอนธรรมดาหนอนที่คุณรมสุดท้ายก็แพ้คุณธทมก็เลิก คือค่าดันฟันแทงกันทั้งหมดแล้วปฏิญาณ ต, ตนแล้วก็ปลกพอ ง, งขผงดึนโด ย, โดยธรรมคุณไหมเป็นคุณ่าเคราบคลองแผงดึงโดยธรรมโดยจะใช้คําว่าธรรมวิชัยวิชัยก็คือชนะนี่แหละคือชนะด้วยธรรมชนะด้วยธรรมะอันนี้ เราทั้งหลายสามารถที่จะอบรมไอโกนอมถ้าจะเอาชนะกันเนี่ยต้องชนะด้วยธรรมบริชนะด้วยกำลังสำคัญกันทุกวันนี้เวลามีอะไรแว่าในประเทศต่างประเทศระหว่างประเทศจะใช้กำลังตัดสินกันทวนแเราก็เห็นอยู่ยุโรปก็มีอุเซียก็มีบ้านเราก็มี เราทำกันมาเป็ น, ปนพันๆปีมาแล้วไม่เหมือบทเรียนเลยพอสุดท้ายค่ากันตายคนที่เรือดร้อนคือผู้คนนั่งรถมาได้เรือดร้อนอะไรเรือดร้อนน้อยมากแต่คนที่เรือดร้อนก็คือผู้คนล้มหายตายจากกันไปนี่อานะฟื้นผู้ประเทศชาตบ้านเมืองมันต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะฟื้นดีขึ้นมอง พระเาอโศมหาราชเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างโดยพระองค์งพุทธเทราวาตอย่างพวกเราเนะี่ยได้อานิสงส์ทุกวันก็เพราะว่าพระองค์การเผิเพศาสนาไปตามทุกสารทิศบ้านเราก็ได้อานิสงส์คือพระโสณอุตระพระดอานิสงส์อย่างพระเจ้าอโศนในยุคหลังๆที่หลังจากนั้นก่อนหม่อม เราใช้การปกครองเราประยุคตของบ้านของเมืองเช่ น, นยุคศรีวิชัยใช่ไ้มก็มีคราวิชัยก็พระที่ใหญ่ท่าพระเหนือของเราคือครูบาครบาอะไรศรีวิชัยนี่คืออิทธิพลทางความคิดของเป็นที่มงมันเป็นอิทธิพลทางความคิดหลังแจ ก, กสิทธิเจ้าอาโศกแล้วศาสนานเราไป เจริญทุเรียงที่เกาะหลังกึงเราก็ได้อานิสงหรืสอสงน้องสาวคงเป็นที่รั ก, กร่งกายเจริญกับพราะอ็นเดียงอายุคเร็วกลหลังจากนั้นกมาถึงบ้านเราหลัลงกาวงไปถึงบ้านเราสุด ท, ท้ายผู้กามผู้กรรมมันคือพมา่รรมาพม่าเรา ถกปคองประมาณสองรกว่าปีจนมาถึงยุคพูกเราซึ่งยังไม่เห็นประวัติศาสตร์ยังไม่สำนึกในประวัติศาสตร์คำว่ายุคเราเนี่ยเอาแค่รัตนโกสินทร์อราชการที่เป็นรัตนโกสินทร์ของพวกเราเกกนนแล้วกนะ่อนหน้านั้นประเทศไทยอยู่ตรงไหนไม่มีคำตอบคือไมมี พ่อมาดูเรื่องอภิเทธาย์สุโขทัยอยุธยาลบบุรีท้ายที่สุดที่เราจะได้ก็คืออยุธยายอันนี้ก็ห้ามพันกันจนบ้านเมืองไม่เหลืออะไรเผาบ้านเผาเมืองรบแล้วรบอีกครั้งแล้วครั้งอีกท่ากันไปท่า ก, กันมาเจาะอายุธยาก็ไม่เหลือครั้งหนึ่งครั้งที่สองแตก เเหือแต่ทหาจก็เป็นผู้ร่วมต่อตาานเร้ช่วยเหลือพวกเราเ็าลืมกันไปแล้วคือพระเ้าตากสินท่านก็ตั้งราชการใหม่ก็เรือกรุงธนบุรีก็อยู่ฝั่งทนกรุงเทพเราปกครองได้ไม่นานก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ากำลัศึกมานาง ั็เป็นสมัยอายุทยาลบราคาฟันกันจนไม่เหลืออะไรเช่นเดียวกันอายุทยาก็ไม่เหลือครงทนไม่กี่ปีก็ไปมาถึงรัตนโกศทของเราที่รเราทุตวันนะี้หนึ่งสองสามนี่มาต้องพูดถึงเรื่องก่อตั้งบ้านตั้งเมืองเริ่มตั้งหลักได้รา้ากการสั่ง แต่เป็นมั่นคงที่เป็นปึกเป็นแผ่นแล้วปกครองแผ่นดินโดยธรรมจริงๆคือรัชการที่สี่รัชกาลที่สี่เป็นใครเป็นอดีตพระบูประนานก็เอาปกครองอย่างโชคดีที่มีอดีตพระปกครองบ้านเมืองเรานั้นก็นลูกหลานของท่านรัชการที่ห้ากับลูกหกเจ็ด หลังจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญก็ไปเรียนยุโรปกันมาก็อยากคัปปี้ฝรั่งมาบ้างอะ่างเงี้ยแต่พอก็เอามาแล้วเอามาไม่หมดที่ไปก็กันมานะเอามาไม่หมดคือไปลอกเข้ามาเอามาไม่หมดมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้ว ก, ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้นเป็นตน้นมองตั้ห้าสิบกว่าปีก็ได้ไปไหนไมาไหนถ้าคนอายุเก้าสิบปี น่านจะไปไหนมาไหนแล้วลูกหลานน่าจะอยู่ดีมีกินแล้วมองรอบตัวรอบข้างบ้านเราไปถึงไหนในกระศาลที่ประเทศนึงไม่ถึงหกสิบปีประมาณหกสิบปีโดยประมาณเขาไปถึงไหนแล้วติดอันดันบโลกทุกเรื่อง เราก็ยังพะเลาะกันไม่สุดทำไมกลับมาบ้านเรามาฝ่ายปกครองบ้านเมืองทั้งอาณาจักรก็คือผู้บันเมืองไม่ได้เรียกว่าอาณาจักรแต่ฝ่ายพระสององค์เนี่าฝ่ายธรรมเนี่ยคือฝ่ายพระคือศ า, อาสนาจักร ตอ น, นเรมีอยู่ประมาณ3ามแสนกรุป๊ปกับประชากรที่เรามีอยู่60สกว่านี่หกสิกว่าเนี่ยหมายถึงเฉพาะที่เป็นพุทธเราไมาเ่เขียนศาสนอาอื่นเฉพาะที่เป็นพุทธเราเขาเปน60สิบกว่าเรามีอยู่สามแสนต่อหกสล้านเรามีพู้เวาหาคณะสงฆ์กี่การคณะสงฆ์ประมาณ30สรูป เป็นชีเป็นชีตายกับอีกสามแสนอันตราส่วนเท่าไหร่ดูแลกันโวถึงไหมก็กลับมาที่เดิมอีกการปกครองในสมัยเก่าก็คือปกครองแผ่นดินโดยธรรมธรรมวิชัยปกครองแร่ดินโดยธรรมชนะกันด้วยธรรมเมา แลบ้านเราก็พอจะฟื้นขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีนี้เองเพราะก่อนนั้นนนัน้การผิดไปของฝ่ายศาสนาจักสเปกกปะไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ละที่อะไรเาฟื้นมาราชการที่สี่แต่เป็นฝ่ายบันฑ์เราแต่ถ้าเป็นฝ่ายเป็นพระธรรมดาธรรมดาเราก็าคือหลวงปู่มันเราเพราด้านนั้น าระเถระที่มีชื่อเสียงก็คือสมัยอายุทยาก็คือลูกปุถุทวดเปิดที่บุคคลในประวัติศาสตร์สมัยยุคเร า, เราทุกท่านจะยินคือลุกปุโตสยุคของพวกเราก็คือหลยจุลปูมันต่อต่อกันมาต่อจากนี้ไป จะเป็นอย่างไรพวกเราลองนึกภาพออกถ้าเป็นเหมือนภาพที่เป็นสร้างที่เป็นภาพปัจจุบันลูกหลานเธอได้ยินได้เห็นได้ฟังจะเกิดอะไรขึ้นกับภาพที่เป็นเหตุแลวปัจจุบันล่าสุดไม่กี่วันนาดภาบพเองคด้าตูวตายแล้วจะไปพึ่งกันยังไงกันพึ่งพาใครได้ ให้ยังค่าตัวตายคนภาษาไปใช้น้อยมันแปลพราอะไรฉะนั้นฝากพวกเราทุกคนเรื่องกอนคองในในทางศาสตร์สมองบุคคลนี้เป็นต้นแบบต้น่างและที่สำคัญก็เราอาจจะมองมาเห็นถ้าพูดถึงพระเจ้าอโศกมากันนตาตาเป็นยางไงเราถึงในหลวงราชการที่เก้า ทำแรกที่ท่านปกครองแผ่นดินท่านทิดว่าท่านก็ปีใครมาจากพระบรที่ว่าเราจะปกครองแันดินโดยธรรมของแผ่นดินโดยธรรมพระบิดา พ, พระองค์ก็คือพระองคเป็นเยนเป็นสุขเหมือนพระเจ้าสุภาราช ก, ก็หลังจากวางมือทุกอย่างแบ่การทางสงคราม หันมาธนุบรุงผู้สนองอย่างจริงจังคพือพระองค์จากเดิมที่รับทัพจับศึกคือไปที่ไหนตายที่นั่นหลังจากวางอาวุธแล้วพระองค์ก็ยังเสมือนเดิมแต่ไม่ได้ฆ่าแต่ไปเผยแผ่ศาสนาธรรมไปเหยียบทุท่ตรงรแห่งสร้างเรืยสาธานบุบุโคทิพักอาศรรัยปลูกต้นไม้ นึกถึงใครในยุคเราเรานิ่งถึงใครที่เข้าวัดฟังคําจํำสีนเรานึกถึงใคร ง, ำำนรนง ใ, ครในหลวงในหลวงของเราพระเจ้าอโศภมหาราชษีใหญ่มาให้หลวงของเราเนี่ยปฏิบัติตามเพราะนั้นจะเห็นภาพที่พระองค์ดเสด็จไปทุกที่ทุกวัดที่ไหน ก็เกิดการปเปลี่ยนแปลงว่าเกษตรหรืออาชีพอื่นที่ตามมาทุกวันนี้นี่คืออา น, นิสงส์กับคําว่าปฏิรูปที่พวกกลางและผู้เจ้าประช้เพื่ออันนี้คือปรับปรุงปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ปฏิวัติเพราะปฏิวัติคําว่าปฏิวัติก็คือปฏิวัติความคิดที่เป็นเดิมๆอย่างพวกเรา เ, เราก็คือปฏิวัติตัวเอง วิชาบอะไรก็ชอบเพียงนั้นเป็นยังไงกบแปรน้อยอย่างนั้ น, น, ไ, นไ ม, นนไม่มีการปฏิรูปคือปรับปรุงตัวเองปรับปรุงวิธีคิดวิธีพูดวิธีทาํานี่คเครื่องวกรรมการแก้กรรมคือแก้ความคิดของตัวเองแก้กรรับพูดแก้กา ร, ร ก, กระทํำของตัวเองทีนี้อีกแก้ของวันนี้เราก็จะาจะฟังดนคนอื่น ฟังจากครูาอาจารย์อไปเสศของพวกนี้จนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ปล่อยรื่อปุ๋ยไปเสริหางาสุดท้ายเป็นยังไงกลายเป็นผู้มีผู้วิเศษขึ้นมาทางทางโลกและทางธรรมเราก็เดรัด้ว่าผู้วิเศษนี่นหะผู้ยังรู้ฟ้าดิง่ง ผู้พยากรณ์อนาคตตัวกรอดีตเห็นไหมเริ่มมีเห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือยังในยคุคเราเนี่ยหลับตาลืมตาเริ่มพยากรณ์ว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนเจ้าจะต้องแก้อย่างไรแก่อดีตยังไงแล้วก็มรอนาคตเจ้าจะเป็นยังไงอย่างนี้ก็ได้เลยแล้ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรกลับมาที่เดิม ทุกครั้งที่เรามีปัญหาชีวิตกลับมาที่พระพุทธเจ้าพ่อของเราตอนนี้นเราไม่ดูพ่อเราเลยดูใครก็ไม่รู้จืกลายเป็นเหยื่อร้อยล้านพันล้านถึงน้อยกน็น่ยก็หลักแสนหลักล้านทีกเป็นเหยื่อเนี่ยพอเราไม่ตเชื่อฝังพ่อเรา พ่อเรานะ่ะทิ้งของพวกนี้หมดแต่เราไม่ฟังพ่อพราะะอยากฝากเราทุกคนว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ก็ตามเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปแล้วจะมองเห็นภาพรวมเท่จริงบ้านเมืองเราในะทางเอาประวัติศาสตร์มาศึกษาขอาประจาอกอะไร่าแค่ยุคเรานะมันจะไปไกลของเราก็สองรสกว่าปีรัตนาด้ไปเป็น มันไดเยอะเอาสองร้อยกะปีก็พอๆกับอเมริกาซึ่งอเมริกากับมันไม่มีตัวไม่มีตนเพิ่งสร้างฐานะพอๆกับเรานี่แหละแต่ว่าเราไปไปถึงไหนตอนนี้เรากลับเป็นพึ่งของทีนี้ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยตั้งแต่ที่เรามีของดีเยอะๆมากมายมัน เราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่าลืมจะไปปล่อยปละละเลยจนลืมของที่มีอยู่ลืมสิ่งที่มีอยู่เราไปฟุ้งเฟ้อเหอะเหไปสร้างขานิยมอะไรก็มาลุตตะวันตกตะ ว, ตวันออกของพวกเราอยู่มาพัฒนามารูเป็นพันปีมาแล้วถ้าไม่ดีจริงมันได้อยู่ถึงขนาดนี้มันเสียตัวเรา ไม่โอุปนิสัโคคือไม่ได้น้อมก็หาตัวเองไม่ได้น้อมเ อ, อ่อคาสอนแต่ละยุคแต่ละสมัยเช่นพระเจ้าอาโศกมหาราศหรือพระเจ้าแผ่นดินหรือยุคในหลวงของเราเป็นต้นมาเการสิบกว่าปีที่ผ่านมานบ้านเมืองเรา หรือจะถอยหลังไปก่อนนี้อีกมัน ก, ก็อยู่ที่พวกเราเดีวนี้การันตศาสนาละจอได้ก็บอกอุบาสกอุบาสิกาภิสุพิษุณีซึ่งคือที่เราไม่มีแล้วแต่พึ่งพาตอนนี้พึ่งจริงๆก็คือพิกสุสามแซนกว่ารูปนี้นะเป็นได้เปกว่าก60กว่าล้าน พึ่งยังไงถ้ากวักมือก็แล้วไม่ตามบอกมาทางนี้นะทางเส้นนี้เพราะเราเดินนะไม่หมาะอันนี้อย่าไปเข้าไปนะมันเปล่ามันรบมันชัดเข้าไปข้างในหลงเราก็ไม่ฟังเดินยอย่าที่เดินเข้าไปคือเขารอกเข้าป้องเขาปวง ทางที่เอาชี้ให้เดินทางนี้เราก็ไม่เดินกันคือไม่ดำเนินชีวิตเป็นไปตามหลักธรรมคือไม่มีหลักธรรมอะไรเลยที่เรามาใช้ในชีวิตประจาวันอะไรก็ได้ไดี่เอามาใช้ในชีวิตประจาวันแต่เราไม่ได้เอาคุยเอามาใช้ ก็อย่าลืมว่าชีวิตเรานับจากนี้เป็นต้นไปหลวงพ่อเาเปรียบเทียบไปฟังอยู่เสมอเพื่อเอานะครับเทียนเป็นเที ย, ยนเนทียมซะแล้วมองไปเห็นภาพรวมถ้าเป็นเทียนเล็บเล็กแต่จุดขึ้นมาอยากให้มาตั้งตรงหน้ากันเลยแต่เห็นแล้วก็ใช้แค่สัญญา คือจำเมื่อไหร่จุดเดียวสองทมแสงเดียนสองสองพันปีที่พอจุดหนึง่งสุดท้ายกับมะพผาคมพีลพบทับพีรเรือ่องนี้แต่ถ้าเราพิจารณาโดยธรรมคือเป็นธรรมเปรียบเทียบไปฟังเยะเสมอว่าทเทียนเนี่ยเหมือนกับชีวิตคนเราการอุบัติขึ้นการเกิดขึ้นของชีวิตเราคือทเทียน เทียนแหลมเล็กๆพอจุดปุ๊บเนี่ยเขาเือกับเกิดชีวิตขึ้นมาแต่เทียนมันไม่มีชีวิตตัวเองเทียนมันประกอบเพื่ออะไรมันประกอบด้วยดินน้ําไฟลมแต่มัน ม, มีชีวิตไม่มีวิญญาณตัวนั้นเองแต่เป็นเครื่องเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยให้เห็นว่าเทียนหรือชีวิตของมนุษย์เนี่ย ที่เราเข้าใจว่าเออมันเพิ่มขึ้นมันได้มันไม่ใช่นี่มันมีแต่เสียมีแต่ลดลงลดลงเหมือนเทียนพดนูดอย่างไรจดแล้วมีแต่เสสั้นลงแต่เราเข้าใจมันเพิ่มขึ้นเขายุยืนยาวก็ให้อยู่เป็นร้อยปีร้อยซาวร้อยซาวใครเป็นนางเชีนก็อยู่เป็นหมื่นปีนักก่าเราเนอ แค่ร้อยสาวลงแล้วมันเป็นเทียนเราเห็ดูจุดเสร็จแล้วมันก็จะหมดไปไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นชีวิตเราเราก็เหมือนกันหกสิบปีก็แปลว่ามันหมดไปหกสิบปีแล้วนะเจ็ดสิบปีหมดไปแล้วเจ็ดสิบปีนะเทียนเรื่มนี้ตอนนี้เทียนเลื่มนี้อยู่ในระดับไหนกับการเหลือข้อมือเดียวมันใกล้จะดับแล้วนาะ เทียนที่มีอยู่เอาแปดสิบปีนี่ก็คือเทียนวันนี้มันแปดสิบกว่าปีแล้วเนาะตอนนี้เต็มไปด้วยน้ําตาเทียนนที่มันไหลออกข้างๆสุดท้ายถ้าปันดับจริงๆมันก็จะเหลือแต่น้ําตาเทียนก็แปลว่าอะไรดิน น, น้ําไฟลมเทียนถ้าไม่มีลมจุดไม่ได้เนะพอจุดแล้วเอาอะไรมาครอบถ้ามีลมอยู่ เทียนก็จุดไม่ได้ดินถ้าไม่มีอะไรมาเกะาะเป็นรูปเป็นร่างสีพึ่งเรียกว่าสีพึ่งใส่มันมันประกอบด้วยนีน้ำไปเ่ยเหมือนเราเนี่ยแหละเราคือมนุษย์ก็ประกอบด้วยอันนี้ปิจนาธรรมบอกว่าปรกับด้ดินน้ำไฟลมแต่ไม่มีชีวิตตังเองแต่สุดท้ายมันก็คือเทียนเพราะฉะนั้นเทียนเรื่องนี้ณปัจจุบัน มันคื่ตรงไหนแล้วถ้าเป็นชีวิตเราความแรกคำสุดท้ายและคำที่จะใช้ตลอดในตลัดการแม้แต่ไปะจะอโศกมหาชาก็คือท่านสอนอาณาประชาชนมาให้ตั้งชีวิตอยู่ในความประมาทนั่นคือเทววาสสุดท้ายของพุทธเจ้า พีเจ้าศกมาห้างก็ออามาใช้พยายามที่สื่อสารกับชาบ้านชามือเราในยาประมงวันหนึ่งถ้าดับไปก็จบเมือนกับเทียนฟันภรษาการนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนช่วยกันสร้างสารรค์จันลงโดยเฉาะนีคือหนึ่ ง, งปฏิรูปอะไรที่มันปรับได้ก็ปรับเถอะปฏิวัติคือ เปลี่ยนไปเลยอะไรที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเพราะวันหนึ่งถ้าเราไม่มีดินน้ำฝ่ายลมแล้วปรับก็ไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรเนีน่ร่างกายสําคัญที่สุดคือลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจเมื่อไหร่ก็มาเรียกอดินมีชีวิตมันก็จะเหลืแต่ดินนาํา ไฟหลงไปตามธรรมชาติของเขาไปสู่ธรรมชาติของเขาเพราะนั้นถ้ า, ายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ในขณะที่เราลืมตามีชีวิตอยู่เราจะไปเห็นตอนไหนไปเห็นตอนเขาไปฝังไปเห็นตอนไปเผาจุดเก็บกระดูกฝ่ายพระเอกร์ก็เช่นเดียวกันอย่าได้ประมาทเพราะเอื่งเนี่ย จริงๆน่าจะได้สติมากกว่าชาวบ้านเพราะอะไรรู้มั้งตั้งแต่เกิดยันตายเกิดมาอ้แวอ้แวเหมือนสมัยพุท ธ, ธกาลเริ่มละเกี่ยวข้องกับพระสมัยโบราณต้องพระผู้ใหญ่พระตัางต่วขิบโคนหัวโคนจุก ตั้งแต่นึกจำแต่ไม่รู้เรื่องรดุราเลยอันนี้คือพระนู้พอโตขึ้นมาหน่อยเรียนหนังสือแต่งงานเกี่ยวกับพระแล้วแต่งงานมีคอบครัวขึ้นบ้านใหม่เกี่ยวกับพระถ้ามาเกี่ยวข้องตลอดแต่เกี่ยวข้องในฐานะพิธีกรรําโตขึ้นอีกบ้าหน่อยจบเอยจนถึงตายกับพระ อ, อีกแล้ว ต้องไปสวดต้องไปเที่ยวคิควางกับพระยังไม่แค่นั้นตายเสร็จแล้วไปสังหารที่บ้านเองนะพอากลัวเสร็จแล้วเก็บกระดูกก็พระอีกแล้วก็เอาไปปล่อยเก็บไว้เด็ดหนึ่งพระอีกแล้วปีนึงก็พระอีกแล้ว สรุปง่ายๆก็คือพระนึกกินกันตั้งแต่เด็กจนเหลือแต่กระดูกกีทุพระักขิดได้ะไรได้ไางวันพระหน้าเราก็จะนึกถึงเร็วสลักพพัดถึงบรรพบรุษของพวกเราทุกผ้มผู้คุณทั้งหมดอยากให้พวกเราขวัญสำคัญ ถ้าศีกันห้าที่เราไม่อยู่จะได้เพราะบรรพบรุษพ่อแม่อู่ย่าตายายสืบทอดกันมาถ้าอย่างนั้นมันไม่มีถ้าศีกันห้าอันนี้ฝนะากพวกเราเพื่อเป็นพเนพื่อเป็นแนวนึกแนวคิดในปฏิบัติเพอย่าลืมของพวกนี้แล้วก็ฝากพวดน้เออพระโดอย่างนี้ว่าตั้งแต่กินกินชาวบ้านมาตั้งแต่เกิดจนตายทิ้นเหลือแต่กระดูกนะี่ พระคิดอะไรได้มั่งถ้าจะถามพระนะคนไม่รู้ท่านได้อะไรบ้างถ้าจะตอบว่าโอ้ได้ปัจจั ย, ยถ้าไม่ได้ไปัจจัย น, น้อยก็จมอีกแล้วเฮ้สาวบาทมมันมีแล้วนะสาวบาทแล้วก็พระก็บอกเฮ้สาบาทอี่ มาดูซาบาทชาวบ้านเขากว่าจะได้กว่าจะได้ซ า, าบานเดีืยวนี้บ้านเราต้องยอมรับความจริงรายได้ต่อหัวต่อคนอันนี้คือเรื่องจริงนะวัจากจีดีที่เป็นต่อหัวต่อประชากรคือรายได้ต่อคนสิบอันดับแรกตกอยู่ในภาคเหนือไง ไม่น่าจะต้องเดาผมไม่ต้องน่าจะต้องเดาเฉลี่ยแล้วทั้งปีรายได้มากที่สุดไม่เกินแปดหมื่นบาทตุกเดือนเท่าไหร่และจังหละดที่น้อยที่สุดนี่คือเฉลี่ยแล้วก็เหลือไปกี่หมืน่นอันนี้เฉลี่ยนะเป็นค่าเฉลี่ย น, นี่คือภาพรวมนะที่เป็นอยู่บ้าง ตกอยู่ประมาณถ้าอาทิตย์ก็ให้สองร้อย ส, สองร้อยเลยเต็บที่เอาสองร้อห้าสิบให้เต็มที่สองห้าสิบกินไรายได้บ้างมันไม่นาม a m ไม่แปกกับประเทศเราไม่เป็นอะไรมาไห น, ใ น, ใ น, ในอันนี้คือโดยเฉลีนะ่ยนี่เป็นทางการดีโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครรายได้ต่ำกว่านี้ ก็จะไม่เก็บภาษีเพราะมันได้ให้อยู่แล้วแล้วก็ภาพรวมมันก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือภาพรวมภาพลักพร์คณะสิบอันดับต้นๆก็อยู่ในภาคด้วยหละภาคที่ใหญ่ที่สุดด้วยเหละอืมพระธรรมค้าสิบก็เพียวเนี่ยมันได้แค่เนื้อต่างกับบ้านบ้านหรือรอบๆ บ, บ้านนั่ก็เริม่มเริ่มจะไปไกลกว่าเรานะ มาอัตรา ก, การเติบโตต่อหัวต่อคนคื อ, อไรายได้ส่วนประเทศที่ใกล้ๆเราเล็กๆเลยไม่ต้องพูดถึงเนะี่ยอันนี้คือโดยรวมเพราะนั้นอันนี้คือความความเป็นจริงที่มันกำลังขับเคลื่อนประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ถ้าจะขับเคลื่อนอย่างนี้มันก็คงจะไม่ไปไหนมาไหนเาอันนี้คือภาพลักษณ์ภาพรวมทั่วทั่วไปเรื่อเป็นเรื่องโลกโลกที่เราจะต้อง อยู่กับความจริงเพื่อเกิดความเข้าใจอวันนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนอย่าลืมถ้าจะศึกษาประวัติศาบบสตร์หนึ่งให้ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าสองพระเจ้า อ, อโศกสามพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าของเราต้นแบบส่งต่อต่อต่อต่อกันมองว่า อ, อันนี้คือ บุคคลที่เป็นเราควรจะอบรมอยู่โกรู่น้องก็หาเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเหมือนได้หลวงราชการในราของเราถ้าคนได้ทำทำทำทำไม่ว่าจะเป็นที่เจริญที่ไม่เจริญแม้เดินด้วยเท้าแม้ไปด้วยรถไปได้ไปด้วยเท้าอัานอันนี้คือต้นแบบเป็นตัวอย่างบ้าบนั้นก็ฝาพวกเราทุกทุกฝั่ง เพื่อให้เป็นเครื่องอุปนัยโหนมก็หาตัวเองทั้งฝ่ายส่งเสริมคือคารวะญาติโยมแล้วก็ฝ่ายผู้นําคือพระสงฆ์องค์หนึ่งก็ต้องสำนึต้องคำนึงวันทุกทุกวันทุกวันหลวมพ่อก็จะให้เน้นน้อยท่องท่องเหมือนกับเคารพตรงชาติตอนหน้าตรงชาติไหว้พระสมบนต้องท่องให้ท่ออย่างทุกวันพวกเราลองตั้งใจฟังดู ถ้าพระสององค์เนี่ยหลังจากนี้นให้ฟอรอดสิทธิเดียดน้อยน้อยมันจะต้องอะไฟังบอกบอกตั้งใจฟังแล้วมันมันมีเพาะมากมีความหมายมากบัด น, นี้เรามีเพื่อต่างจากคาเลหัดแล้วลองลองฟังรอต่อจากนั้นนะน้อยน้อยเขาอย่างหลังจากให้ฟอรอดแล้วนะตอนฟังเนี่ยเราตั้งใจเออมันเป็นยังไงถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้จริง มันจะเห็นข้อแตกต่างถ้าอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย น, น้อยกับท่องหมนนดนกแก้วนกคุณทองหมุดร้องเพลงชาติด้วลีละมันก็จะไม่ได้อะไรรอมโมทนาความดีที่เราทุกคนที่ตั้งจิตตั้งใจมาพระวันนี้เต็มสาลองก็องโมนธมงขอความดีที่เราทําทั้งหมดนี้